บันทึกที่สองศีลวินัยศิลธรรมศีลที่ยังไม่เป็นธรรมคือไม่เป็นวินัยก็คือธรรมะขั้นศีลไม่พึงนำมาสับสนกับคำว่าศิลธรรมที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายอีกอย่างหนึ่งตามแบบของไทยดังที่มักอธิบายกันว่า ศีลธรรมหมายถึงศีลและธรรมะศีลคือการเว้นชั่วหรือเว้นจากข้อห้ามธรรมะคือความประพฤติดีคือคำแนะนำสั่งสอนให้ทำความดีแต่ตามหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาธรรมะภาคปฏิบัติทั้งหมดก็คือไตรสิกขาซึ่งแบ่งเป็นสามระดับคือศีลสมาธิและปัญญา ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาล้วนเป็นธรรมะทั้งสิน้นจึงมีธรรมะขั้นศีลธรรมะขั้นสมาธิและธรรมะขั้นปัญญาคำว่าศิลธรรมในภาษาไทยถ้าจะแปลให้เข้าหลักนี้ก็ต้องว่าธรรมะขั้นศีลหรือถ้าจะให้กว้างกว่านั้นก็ว่าศีลและธรรมะอื่นๆ นอกจากศีลคือรวมถึงสมาธิและปัญญาด้วยหรือให้ศีลในที่นี้เท่ากับคำว่าวินัยศีลธรรมก็จะหมายถึงวินัยและธรรมะตรงกับคำดั้งเดิมว่าธรรมะวินัยศีลห้านั้นในบาลีชั้นเดิมเมื่อกล่าวถึงความประพฤติของคนทั่วไปท่านใช้ว่า ธรรมะห้าเมื่อใช้ในฐานะเป็นข้อฝึกหัดของชาวพุทธเขาฤหัสหรือกฎความประพฤติของอริยสาวกฝ่ายคารวาดเรียกว่าสิกขาบทห้าส่วนที่เรียกว่าศีลห้าตรงๆพบแห่งหนึ่งในวินัยปิฎกเล่มเจ็ดและในข้อความร้อยกรองของคำภีชั้นรองเช่นในกุธกานิกายพุทธวังสัก พระไตรปิดกเล่มสาสบสามต่อมาในชั้นอัตกาถาจึงใช้กันดื่น